แนะนำบทอัลมาซัตบทอัลมาซัตเป็นบทมัคคิยามีห้าองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความมินาฏของอบดุลละฮับศัตรูของอัลลอฮ์และเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุลอยัสลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามท่านรอซูลสัลลัลลอฮุลอยัสลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านและขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่าน บทนี้ได้สัญญากับเขาไว้ว่าในวันปรโลกจะอยู่ในไฟนรกและจะถูกเผาไหม้และพระยาของเขาก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการลงโทษชนิดพิเศษไว้ให้แก่นางด้วยคือรอบคอของนางจะมีเชือกถักด้วยใยอินทพลัมคล้องคอเพื่อดึงลงนรกเป็นการเพิ่มการทรมานและความอัปยศให้แก่นางอีกโซดหนึ่งด้วย ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมือทั้งสองข้างของอบูละฮับจงพินาศแล้วก็ได้พินาศแล้ว ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลยเขาจะเข้าไปเผาไหม้อยู่ในนรกที่มีไฟลุกโชนทั้งภริยาของเขาด้วยโดยนางเป็นผู้แบกฟืน ที่ขอของนางมีเชือกที่ถักด้วยใยอินทผลัมคล้องอยู่